พระธรรมตามพระใจปิดกครั้งที่หนึ่งร้อยสองอย่างพระพุทธโธสาจาเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ทราบซึ้งในพุทธคุณมากท่านประมวลพุทธคุณมาไม่กี่คําเนี่ยทำให้เราเห็นภาพพระพุทธศาสนาเลยยกตัวอย่างเช่นท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดหาบุคคลผู้เปรียบปรานไม่ได้อันนี้ก็แสดงถึงความเป็นอนุตตระของพระพุทธเจ้าอนุตตโรเนี่ย หาคนที่เปรียบเทียบทั้งรูปร่างกายทั้งนามกายนามกายก็คือสติปัญญาเป็นต้นไม่มีใครที่จะเปรียบเทียบกับพระองค์ได้ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมมาณพระหมทีนี้ก็คือนอบน้อมในความที่พระ อ, องค์เนี่ยไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าแล้วก็ผู้เสด็จขึ้นจากสาครนแห่งยายธรรมยายธรรมก็คือพวกสังขารนิพพานบัญญัตินั่นเอง สังขาร น, นิพพานแล้วก็บัญญัติเหล่านี้เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงรู้แจ้งสิ่งเหล่านี้โดยละเอียดนะสังขารแม้แต่นิดเดียวที่พระองค์ไม่เห็นไม่มีแล้วชื่อบัญญัติเรื่องราวต่างๆที่พระองค์ไม่ทรงทราบไม่มีแล้วพระองค์สามารถรู้ถึงที่สุดของสิ่งเหล่านั้นคือนิพพานด้วยนี่พระองค์นี้เสด็จขึ้นข้ามพ้นจากสังขารทั่วไปหมดแล้ว พระองค์นี้ข้ามพ้นจากสังสาระสงสารเนี่ยนะก็คือสังสาระก็คือขันธ์าตุอายตนะที่สืบเนื่องกันไปพระองค์นี้ข้ามได้ด้วยท่านข้ามพ้นเรียบร้อยแล้วข้ามด้วยอะไรพระองค์ทรงข้ามด้วยอริยมรรนคะแพร่คืออริยมรรคเนี่ยข้ามจากสังสาระข้ามจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าถึงอมาตะธรรมได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่า ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันสูงสุดนั้นด้วยเสียงกล่าวว่างั้นคะเอาหัวนี่บูชา ว, ว่างั้นเร <ừ ừ. S 1> ียกว่าเอาหัวนี่ต่างแทนดอกบัวเพื่อน้อมบูชาพระพุทธเจ้าว่างั้นอั้นก็คือถ้าเอาหัวบูชาแล้วย่างเอื่นนี่ก็แสดงว่าเอาหมดแล้วเนาะไม่ต้องกล่าวถึงแขนว่างั้นคนคอขาดนี่เรียกว่าคนที่ไม่เหลืออะไรแล้วทั้นถ้าเอาหัวบูชาพระพุทธเจ้าได้ก็แสดงว่าไม่มีอะไรที่จะไม่บูชาพระองค์ท่าน แสดงถึงความที่ท่านนอบน้อมพระตนัตตายเป็นอย่างยิ่งและต่อไปบอกว่าพร้อมทั้งพระธรรมะพระธรรมอันลึกซึง้งลึกซึ้งนี่แปลว่าคำภีระนะลึกซึ้งนี้ลึกซึ้งโดยอัฏฐะลึกซึ้งโดยธรรมะลึกซึ้งโดยเทศนาและลึกซึ้งโดยปฏิเวทนอบน้อมในความลึกซึ้งของพระธรรมเนี่ยลึกซึ้งโดยอัฏฐะคืออย่างไรเนื้อหาเนี่ยนะสมบูรณ์เพียพร้อมหมดอัฏฐคือเนื้อหา นะหรือนิโรธสัตว์นั่นเองแล้วก็ลึกซึ้งโดยธรรมะเนี่ยบทถ้อยคําที่มาบัญญัติแสดงนี่ลึกซึ้งและเทศนานี่นะวิธีการเทศนาที่หลากหลายวิจิตพิสดารก็ลึกซึ้งและปฏิเวทการแทงตลอดบรรลุมรคผลนิพพานเป็นต้นนี้ก็ลึกซึ้งแั้วขอนอบน้อมซึ่งพระธรรมที่ลึกซึ้งอันนั้นเนี่ยนะทั้งประยัดทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวททั้งโลกุตระธรธรมหมดเลย แล้วพระธรรมคาสอนเหล่านี้เนี่ยนะสงบยิ่งละเอียดยากที่คนจะมองเห็นได้อันศึกษาพระธรรมคาสอนเนี่ยนะถ้ายากเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของลึกซึ้งอยู่แล้วนะลึกซึ้งโดยอัดลึกซึ้งโดยธรรมะลึกซึ้งโดยเทศนาและลึกซึ้งโดยปฏิเวชนะเป็นของที่สงบละเอียดเพราะฉะนั้นเราอ่านเนี่ยจึงไม่เหมือนอ่านหนังสืออย่างอื่นนะอ่านพราไตไปดกเนี่ยผาจึงอ่านต้องแกะทุกคำเลยนะในแต่ละคําบางคํำนี่อีกอาณาจักรหนึ่งเลยะ อย่างคำบางคำเนี่ยอย่างคำว่าอริยสัจเนี่ยอย่างเงี้ยโหคำเนี่ยต้องไปค้นคว้าอีกมากมายมหาศาลหรือคําว่านิพพานอย่างเงี้ยเป็นรายละเอียดที่จะต้องศึกษา ม, มากหรือคําว่าปัญญาเนี่ยโหเนื้อหามากจริงๆงฉนั้นพระธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่ละเอียดลึกซึ้งยากนักที่คนที่ไม่ได้สะสมบุญจะมองเห็นได้อันนี้นะถ้าอยู่แบบนี้เฉยๆเนี่ยหูได้ยินเสียงเนี่ยยากไหมที่ปัญญาจะเกิดนะ ยากไหมที่อยู่ๆแล้วปีติจะเกิดเนี่ยปีติระดับไหนปีติระดับธรรมดาเรียกว่าปีติทั่วไปปีติในกลามกว่ามีแต่ปีติในที่นี้หมายถึงปีติในธรรมะปราโมทที่เกิดจากธรรมะถ้าปีติระดับวิปัสนาเรียกว่าโพชฌงปีติสัมโพชฌงหรือว่าปีติระดับสูงขึ้นไปอีกปีติระดับมาตที่จริงโพชฌงแบ่งทั้งเป็นโพชฌงระดับโลกยะและโลกุตระทั้นปีติเออบอิ่มใจในธรรมเนี่ยมีหลายระดับด้วยกัน มันแม้แต่ปีติก็เป็นของลึกซึ้งสติก็เป็นของลึกซึ้งปัญญาก็เป็นของลึกซึ้งก็บอกว่าของพวกนี้มันอยู่ในใจอ่ะทีนี้ใจส่วนใหญ่ของคนทั่วไปเนี่ยมันหนาชัดรกไปด้วยโลภะโทสะโมหะเมื่อไหรจะแวกเจอสติจเจอปัญญาขึ้นมาเนี่ยแล้วให้สติปัญญาทำหน้าที่พิจารณาความจริงเหล่านี้ได้เพรา ะ, ะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของลึกซึ้งถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดเป็นไปได้ยากที่จะรู้ถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเป็นพระธรรมที่ประดิสถานอยู่กับคนที่มีสติมีทิติมีคติมีปัญญาเป็นพระหูสูตรเป็นต้นพระธรรมจึงจะทรงอยู่ในใจของบุคคลนั้นได้ไม่ใช่ว่าเรามีคำพีไปด้วยแล้วจะมีพระธรรมอยู่ในตัวนะถ้าพระธรรมยังไม่ประฏิสถานในใจก็เชื่อว่ายัางก่อนแต่เพียงแต่ว่าได้เครื่องมืออย่างหนึ่งแล้วลนะ่ะมีคำพีอยู่ใกล้ตัวนี้ถือว่ามีเครื่องมือแล้วนะเราไม่ปฏิเสธแต่ว่าจะเข้าถึงธรรมจริงๆก็เข้าถึงที่ ที่จิตใจเป็นภาชนะรองรับพระธรรมแต่ว่าใจของบุคคลใดที่จะเป็นภาชนะรองรับพระธรรมได้ก็เป็นใจที่หาได้ยากมากและพระธรรมเนี่ยนะที่ลึกซึ้งโดยอัดโดยทำโดยเทศนาโดยปฏิเวทเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมะที่ทําลายเสียได้ซึ่งพบน้อยและพบใหญ่ธรรมะที่ทําลายพบน้อยพบใหญ่ได้แก่อะไรได้แก่อริยมรรคอริยมรรคเนี่แหละจึงจะเป็นธรรมะที่ทําลายพบน้อยพบใหญ่ได้ ถ้าโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเนี่ยทำลายภพที่แปดเป็นต้นไปเรียบร้อยหมดสกาธาคารมีมักเกิดขึ้นเนี่ยจะทำลายว่ามาภพนี้อีกไม่เกินครั้งเดียวนะครั้งเดียวถ้าระดับอนณาคามีมักเนี่ยทำลายภพบแบบนี้ไม่มีอีกแล้วแบบนี้รูปร่างกายเปื่อยเน่าอย่างนี้ไม่ต้องมาอยู่อีกแล้วเจ็บเจ็บปวดปวดอย่างนี้ไม่มีถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกแล้วอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่นิพพานถ้าก่อนก็เป็นมหาพรหมนะเป็นมหาพรหมหรือเป็นพรหมชั้นสุดท้าย และถ้าหากว่าเป็นผ้าอาหารเนี่ยทําลายพบได้โดยสิ้นเชิงว่า ง, งั้นถ้รรมเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมะที่สะอาดที่เขาบูชาแล้วคนทั้งหลายบูชาพระธรรมเหล่านี้บูชาทั้งที่ทเป็นวัตถุข้าวของทั่วไปสร้างกุฏิเสนาสนะวิหารที่อยู่ที่อาศัยทั้งหมดเหล่านี้เพื่อบูชาเสร็จแล้วคนทั้งหลายก็ยังปฏิบัติบูชา ยังปฏบิบัติบูชาด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจแล้วพระธรรมเหล่านี้เนี่ยนะที่สัตว์ทั้งหลายล่วงพ้นจากกองทุกทําลายพบน้อยพบใหญ่ได้เพราะสัตธรรมสัตธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านก็ขอนอบน้อมพระธรรมอันนี้เนี่ยนะคันธารัตนาจารย์หรือพุทธโคสาจารย์ท่านขอกราบเคารพเทิดทูนพระธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะพระธรรมซึ่งต่างโดยปริยัตปฏิเวท หรือประยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่ในที่เป็นพระธรรมจริงๆก็คือปริยัติธรรมอริยมรรคอริยผลและนิพพานอันท่านขอนอบน้อมพระธรรมอย่างนั้นเนี่ยด้วยเสียงกล้าวว่างั้นไม่ได้บูชาธรรมดาบูชาด้วยเสียงกล้าวถวายหัวให้เลยว่างั้นและอีกทั้งพระสงฆ์ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องข้องใจของพระอริยะสงฆ์ทั้งหลายมีภาษารีบุตรเป็นต้นเนี่ยใจของท่านเหมือนดินเหมือนน้าเหมือนลมเหมือนไฟว่างั้น ใจเหมือนลมเหมืองกันเขาเรียกว่าลมเนี่ยพัดไปทุกขนทุกแห่งแต่ไม่ติดอยู่ซากแห่งเดียวเหมือนกันนะไม่มีใครเอาขายไปดักลมติดลมเนี่ยนะติดลมมาสองตัวอย่างนี้นไม่มีใจของพาาาระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่เกี่ยวข้องไม่ยึดติดในสังขารทุกชนิดนะไม่ยึดติดในแต่ละอย่างทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นท่านไม่มีกิเลสเป็นเครื่องข้องกิเลสที่เป็นเครื่องข้องก็คือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุกเจริตต่างๆเหล่านั้ น, เ ร, น, นเรียกว่าเครื่องข้อง ท่านไม่มีเครื่องข้องเหล่านี้ในจิตของท่านแล้วผู้สูงสุดแห่งหมูสงแห่งหมูคณะมูสงสงก็คือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐิผู้ที่สมำเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิผู้สูงสุดแห่งทักินยะบุคคลคือบุคคลธรรมดาทั่วไปถ้าจะไปทำบุญทำกุศลให้ให้ทานกับท่านเนี่ยนะเป็นนาบุญที่เยี่ยมยอดที่สุด ไม่มีนาบุญอื่นจะยิ่งขนาดนี้แล้วก็เทียบที่ว่าอังกุระเทพบุตรเนี่ยนะทำบุญเป็นหมื่นหมื่นปีลงทุนหมดเป็นหลายๆหยมืน่นล้านกับอีกคนหนึ่งเนี่ยใส่บาทครั้งเดียวเนี่ยนะผลของการใส่บาทครั้งเดียวนี้มากกว่ามากกว่ามันยิ่งกว่าซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกับเลขท้ายสองตัวนี่มันห่างกันจริงๆอันนั้นเนี่ยก็ถึงเห็นความห่างนะแต่ถ้าเราได้ทําบุญกับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลาที่คุณเป็นต้นเนี่ย ที่เป็นพระ อ, อริยสงฆ์เนี่ยบุญนี่หาประมาณไม่ได้แต่ทีนี้บางท่านกล่าวว่าเออเพ่อเราทั้งหลายโฆษณาแต่ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหาแต่พระดีๆอย่างนี้แหละเพื่อที่จะให้ทานคนก็เลยสแสวงหาอริยชนเย่ยดีแล้วที่สแสวงหาอริยชนแต่คนทั้งหลายยากนักที่จะเจอพระ อ, อริยชนเพราะอะไรเพราะคนคนนั้นเองก็ยังไม่รู้เลยว่าอริยะคืออะไรเพราะคนที่จะรู้อริยะได้จะต้องรู้จักอริยธรรมอริยธรรมคืออะไร ก็คืออริ ย, ยสัจสี่เป็นต้นถ้าคนไม่รู้จักอริ ย, ยสัจสี่นะจะไปหาอริยสองหายากเพราะว่าอริยสองท่านไม่ได้มียี่ห้อติดป้ายที่ที่บาที่ไรเป็นต้นเลยนะไม่มีสักดังนั้นแต่ท่านเหล่านั้นเป็นนาบุญจริงๆถ้าหากว่าเรารู้จักท่านผู้มีอินทรีย์อันสงบแล้วอินทรีย์ในที่นี้คือตาอหูจมูกลิ้นกายและใจของท่านสงบจากบาปจากอากุศลทั้งหมด เป็นผู้หาอาสวะมีได้จิตใจของท่านไม่มีเครื่องหมักดองไม่ ม, เมีเครื่องหมักดองคือโลภะเครื่องหมักดองคือโทสะเครื่องหมัดดองคือทิฏฐิเป็นต้นไม่มีอยู่ในจิตในใจของท่านที่สะสมมาท่านจิตใจของท่านเป็นจิตใจที่เตรียมล้นไปด้วยคุณธรรมคืออริยมรรคกุศลเป็นต้นนั่นเอง ด้วยการประนามประนามในที่นี้ก็คือการนอบน้อมที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้วต่อพระรัตนตรัยด้วยความนับถือเป็นพิเศษนี้นั้นนับถือเป็นพิเศษจริงๆเลยนะเคอไม่ใช่ว่าท่านนับถือพระรัตนตรัยแล้วไม่ได้นับถือคนอื่นนับถือท่านก็นับถือพ่อนับถือแม่นับถือครูอาจารย์นับถือเพื่อนบันประชิตนับถือทั่วไปที่มีคุณธรรมก็นับถือนั่นแหละแต่ไม่ได้นับถือพิเศษระดับพระรัตนตรัย ไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาพระรัตนตายเอาพระพุทธเจ้าแล้วก็ลืมพ่อลืมแม่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เอาอย่างเดียวก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็รับถือว่าอะไรสูงอะไรต่ำมองอย่างที่เป็นอะไรมีคุณธรรมขนาดไหนสมควรนับถือระดับไหนก็นับถือไประดับนั้นนั่นแหละดังั้นการน้อมน้อมพระรัตนตรายนั้นถือว่าเป็นกิจอย่างหนึ่งแม้แต่เราเมื่อกี้ใช่ไหมเวลาจะศึกษาพระธรรมเราก็ยังสวดมนต์ไหว้พระกัน ทีนี้จะขอยกถึงข้อความในวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินท์ที่ที่ราชบัณฑิตสมัยก่อนราชบัณฑิตของรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่หนึ่งนี้ปรารถนาพุทธ ภ, ภูมินะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่เพราะความที่ท่านปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยากจะให้ราชบัณฑิตของท่านเนี่ยแต่งคำพีวรรณกรรมพระพุทธศาสนาขึ้นโดยยกเอาบทโลกวิทูมาแต่ง โลกวิทูโลกวิทูเนี่ยเอายกบทคือโอกาสโลกมามาบรรยายนั้นในการยกเอาบทโอกาสโลกนะั้นให้เป็นไปตามแนวคำภีอัตถกาถาดีกาทั้งหมดซึ่งท่านก็มีราชบัณฑิตชื่อว่าพญาพญาธรรมปรีชาจางวางราชบัรดิตเนี่ยเป็นคนเรียบเรียงให้องค์นี้เป็นคนที่แตกฉานบาลีอัตถกากาแตกฉานมากจากสังเกตดูถ้าหากว่าผู้ที่ไปค้นคว้าแลยจะรู้ว่าท่านแตกฉานจริงๆ นะท่านสามารถรวบรวมมาเล่มได้ขนาดนี้ซึ่งสมัยก่อนไม่ได้มีหนังสือมีอะไรมีโรงพิมพ์มีอะไรนั่งขีดนั่งเขียนอยู่อย่างเดียวนะท่าบอกว่าในการเรียบเรียงคัมภีร์นี้ท่านชื่อว่าไตรภูมิกถาไตรภูมิกถาแล้วท่านมีพระพุทธโคสาจารย์พุทธโคษาจารย์สมัยนั้นนะเป็นคนที่สอบทานมีพระสังฆราชเป็นที่ปรึกษาสังฆราชสมัยรนหนึ่งอ่ะนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยแตกฉานทระไดรปิฎกกันมาก ช่วยชำระดัดแปลงเมื่อสมัยพศ2445อันนี้ยกถึงที่มาของคำทีก่อนแต่ท่านกล่าวถึงการนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นอย่างดีทำให้เห็นคูณานิสงของการนอบน้อมพระรัตนตรัยว่าก่อนที่ท่านจะเรียบเรียงท่านแต่งเป็นคาถานมมสการวา ย, ยกัปโกตีหิปิอัปปะมัยยังเป็นต้นซึ่งแปลว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไตรแปลว่า สโลกก็คือโลกนั่นเองโลกคือมูสัต์เป็นต้นนาฏแปลว่าที่พึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกทั้งสามกามโลกโูกประโลกและอรูประโลกาศาสด า, สาศาสดาก็คือผู้แนะนำสั่งสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้อริยสัจโดยชอบและโดยพระ อ, องค์เองเป็นผู้มีพระกะมลหฤทยัย กมนก็คือดวงนั่นเองอนะฮารุไทัยก็คือใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยประกอบด้วยมหากรุณาที่คุณอันเอิบอิ่มซาบซ่านไปทั่วสันดานแห่งเวนยสัพพสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยสัพพสัตทุกหมู่เหล่าขึ้นชื่อว่าสัตว์ที่ยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะด้วยมหากรุณาเนี่ยที่ไม่ไปแต่ต้องไม่มีมหากรุณาของพระพุทธเจ้าเนี่ยซาบซ่านราดรสในสัตว์ทุกหมู่เหล่าแล้วละ่ะแต่ว่าก็เหมือนกระดวงอาทิตย์มันส่องแสงสว่างให้เห็นนะ แต่คนตาบอดอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าดวงอาทิตย์ส่องอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้ามีพาะมหากรุณาที่คุณเนี่ยทราบสร้างไปในเหล่าสัตว์ด้วยจิตที่เป็นไปกับกับชาณจิตเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าจิตที่เป็นไปกับมหากิริยาจิตขณะที่พระองค์เจริญกรุณาและพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยทรงบำเพ็ญสมติงสะบารมีก็คือบารมีสามสิบทัดแลมกุฏปรมัทถมหาบริจาคอีกหาอย่ยาง มีชีวิตบริจาคเป็นต้นเป็นประธานคือคือเวลาคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นนี่นึกถึงคุณนะสมบัติของความเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งต่างจากสมัยนี้เวลานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงแต่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะการทราบซึ่งในพุทธคุณแตกต่างกันมากสมัยนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าคือายรตอบทันทีเลยเจ้าชายสิทธัตถะแต่ความรู้ความเข้าใจอันนี้ถูกเดียวจริงๆเลยนร้อยเปอร์เซ็นนี่ถูกครึ่งเปอร์เ็ นพบตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถาก็คือเป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้นเองยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถาก็นับในหนึ่งคุณสมบัติของความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าอดีต ท, ท่านบำเพ็ญบารมีมาอย่างนั้นทีนี้ต่อไปว่าท่านนั้นได้เป็นผู้ที่บริจาคชีวิตเป็นต้น อันยอดยากยิ่งนักที่สามัญชนคนทั้งปวงจักกระทาได้สู้ยากสู้ลำบากพระองค์มาสิ้นกาลช้านานแต่อดกลั้นทนทานแสนทุกทเวศนะทุกทเวศก็คือทุกขเวทนานั่นแหละอยู่ในสังสารวัตินี้ถ้าจะนับอายุกับด้วยแสนโกฎนั้นไม่อาจจะนับประมาณได้ก็เหมือนกับที่ว่าแสนกับเนี่ยนะถ้าแสนกับเนี่ย เท่ากับบารมีสาวกทั่วไปนะอสิติสาวกแสนกลับทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่แสนกลับเดียวอ่ะก็คือท่านหนึ่งกับใช่ไหมเลขศูนถอท้ายร้อยสี่สิบตัวเรียกหนึ่งอสงไขยมันแล้วไม่ใช่อสงไขยเดียวนะแต่ท่านนับแต่วันที่พุทธพยากรณ์มาก็สี่อสงไขยอย่างเงี้ยดังนั้นในชีวิตทั่วสีอสงไขยแสนกลับก็เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานอยู่ในสังสารวัฏอยู่ด้วยกรุณนะถ้าไม่มีกรุณาหล่อเลี้ยงท่านก็ น, นิพพานแล้ว ถึงซึ่งความลำบากยากพระองค์มาช้านานหนักหนาถึงเพียงนี้ก็เพราะเหตุที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาจะให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกประสงค์จะข้ามสัตว์ให้พ้นจากจตุโอฆกันดาลที่พระองค์ทนทุกข์ทั้งหมดเพื่อที่จะช่วยสัตว์ให้พ้นจากกาญโยคะพะวโยคะทิฏฐโยคะอันกันดาลในสังสารวัฏ จึงสู้ทรมานไม่เอื้อเฟื้อต่อความยากลําบากพระกายตกว่าพระมหาการุณาที่คุณ น, นี้เป็นเบื้องต้นที่อยู่ในสังสารวัฏก็เพราะมหาการุณาที่คุณและพระองค์ไม่ติดในสังสาระเพราะพระองค์มีปัญญาที่คุณอันพระองค์นี้มีปัญญาคุณเป็นเบื้องปลายการุณาเป็นเบื้องต้นปัญญาเป็นเบื้องปลายพระคุณทั้งสองคือพระมาหาการุณาที่คุณ และพระปัญญาที่คุณนี้เป็นรากเงาเป็นเขาหมูลให้บังเกิดพระคุณทั้งปวงอันจะนับประมาณบอกนี้ได้คือพระคุณติดตามมากมากมายว่ากัมากนมีพระอรหันต์ที่คุณเป็นต้นเป็นประธานเพราะฉะนั้นนโมข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายปณามน้อมนอมันมสการแด่พระบรมศาสดาสีสุคขธทธศพลายานสมัยก่อนนี้เขามีวิธีเรียกชื่อพระพุทธเจ้าวิวจิตนะ องค์สมเด็จพระชินสีอย่างเงี้ยองค์สมเด็จพระโลกก น, นาฏองค์สมเด็จพระศรีสุขตทศพลยานอย่างเงี้ยนะศรีสุคตนะศรีก็เสรใช่ไหมสุคตก็คือสุขโตนั่นเองทศพลก็คือทศพลยานนะ่ะสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐด้วยพระมหากรุณาธิคุณด้วยเสียงกล้าวแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการระบัดนี้อันคนที่แต่งคำพีนี่ก็เขามีความลึกซึ้งในคุณของพร ะ, ะรัตนไตรัยมาก และนมัสการสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะขอถวายนมัสการแด่พระสัตธรรมอันต่างโดยประเภทสัตธรรมในศาสนานี้มีสิบอย่างคือพระโลกุตรธรรมเก้าพระประยิยติธรรมหนึ่งเป็นสิบประการด้วยกันเห็นว่านี่คือสัตธรรม์คำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าสัตธรรมสิบ ท, ที่เป็นธรรมรัตนะไม่มีปฏิบัติอยู่ในนั้นเลยแม้แต่คําเดียว นะไม่มีคําว่าปฏิบัติเลยแม้แต่คําเดียวคนทุกวันกลายเป็นว่ามไม่สนใจคําว่าปริยัตเน้นคําว่าปฏิบัติโดยที่ไม่มีความเข้าใจคําว่าปริยัตแล้วดูถูกภาพปริยัตเป็นต้นอันทวอยคําเหล่านั้นมีโทษที่ว่ามีโทษนี้ท่านอธิบายไว้ในในหน้าที่กล่าวถึงบทว่าอารหังเป็นต้นว่าคำว่าอารหันอีกคําหนึ่งนะซึ่งเราเคยได้ยินกันก็คือ อยู่ใกล้คนดีอยู่ใกล้สัตบุรุษนะอรหังเนี่ยอยู่ใกล้เพราะอาจว่าอยู่ใกล้เนี่ยเท่าที่เราเรียบเรียงมาก็อยู่ในข้อที่เจ็ดในขใน้อที่เจ็ที่เคยแจกไปแลบุคคลผู้เป็น OUR สัตบุรุษสาธุชนที่มาบังเกิดในภายหลังไม่ได้พบเห็นพระพุทธองค์ได้พบเห็นแต่พระสัตธรำนะพวกเราทั้งหลายได้เจอแต่พระสัตธำใช่ไหมคือสัตธำข้อไหนของเรานี่เจออริยมรรคได้ยังยังเนาะเจอเฉพาะปริยัติสัตธรรม ได้สดับตรับฟังแต่พระสัพธรรมที่ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานพระสัพธรรมเทศนาไว้นั้นพึงตั้งจิตแห่งอาตมาให้ประกอบด้วยศรัทธาเลื่อมใสยินดีปรีดาประสันนาการให้เหมือนประดุจดังว่าได้พบองค์สมเด็จพระบรมมล ก, กนา์ศาสตราอจารย์นั้นเถิด น, นะเวลาจะสดับตรัพธรรมคำสอนก็ให้นึกเหมือนกับว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอย่างนั้นแหละ อย่าเสียใจว่าพระพุทธองค์เสด็จดับขันปริญิพานแล้วเกิดมาภายหลังเป็นคนมีบุญน้อยมิได้พบเห็นพระพุทธองค์อย่าไปเสียใจนะว่าเราเนี่ยบุญน้อยว่าเกิดห่างพระพุทธเจ้าเลือเกินแบานั้นอย่าเสียใจดังนั้นได้พบพระปริยัติธรรมก็เหมือนได้พบสมเด็จพระสรนเพชรพุทธองค์เหตุมีพระพุทธฎีกาตรัสเทศนาแก่พระอานนุ์ว่าดูก่อนสัมแดงอานนุ์ ตถาคตมีพระชนอยู่ในการทุกวันนี้พระตถาคตพระองค์เดียวได้ให้โอวาสแก่ท่านพระตถาคตพระองค์เดียวสั่งสอนท่านสื่อไปในเมื่อเมื่อหน้าเนี่ยนะเมื่อพระตถาคตเสด็จนิพพานล่วงแล้วพระพุทธเจ้าทั้ง8ปดหมี่พันพระองค์คือพระธรรมขันธ์แปดหมสี่พันจะให้อวาสสั่งสอนแก่ท่าน ท่านอย่าเศร้าโศกอย่าเสียน้ำตาเลยนี่ก็คือเป็นพุทธพจน์ที่พระ อ, องค์ตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรนะที่ตรัสแก่พระอานุลใกล้จะปรินิพพานเพราะฉะนั้นพระปริยัติธรรมนี้เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าแต่ละธรรมขันเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ถามว่าราชบัณฑิตเนี่ยพระธรรมปรีชาเนี่ยนะราชบัณฑิตคนนี้เนี่ยอาศัยนัยะอะไรในการแต่งอย่างนี้ท่านอาศัยนัยะแห่งดีกาพระวินยัย ดีกาพระวินัยชื่อว่าสารัตถีปณีดีกาอันนั้นในนั้นเนี่ยกล่าวไว้ข้อความแบบนี้เลยแล้วสารัตถีปณีดีกาเนี่ยอาศัยอะไรมามาอธิบายแบบนั้นอาศัยสมันตะปาสาธิกาสมันตะปาสาธิกาอาศัยอะไรอาศัยพุทธพจน์มหาปรินิพานสูตรตรงเพราะฉะนั้นถ้อยคําที่กล่าวถึงพระปริยติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพึงสังวรไว้เท่าว่าถ้ากล่าวถึงด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเป็นต้นจิตอันนั้นเนี่ย จะมีผลอนิสงฆ์มากมายมหาศาลแต่ถ้ากล่าวด้วยจิตอย่างอื่นก็มีโทษมากมายมหาศาลเหมือนกันแล้วท่านอธิบายว่าพระปริยติธรรมก็ได้แก่พระไตรปิฎกนั่นเองพระโลกุตรธรรมเก้าประการนั้นประกอบด้วยพระคุณอันพิเศษขจัดเสียซึ่งกิเลสให้ขาดจากขันธสันดานให้สัตว์ล่วงพ้นจตุโอฆะกันดานบรรลุถึงพระมหาอมตะมหาเนพนัน สิ้นทุกสิ้นภยัยสิ้นโศกสิ้นสะอื้นอะไรทั้งปวงพระโลกุตระธรรมนี้เป็นที่สมเด็จพระพุทธองค์เคารพคารวะซ่องเสพเอาเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้านี้เคารพรำบูชาธรทำว่า ง, งั้นหยุดน่วงไว้ในพระบวรพุทธสารดานเป็นนิจมิรัพระพุทธเจ้านี้มีใจเนี่ยคล้องอยู่กับทโลกุตระตลอดเลยเวลาจะแสดงธรรมเป็นต้นเนี่ย พอแสดงธรรมจบก็เข้าพระสมาบัติออกจากการแสดงธรรมก็เข้าพระสมาบัติจิตใจของพระ อ, องค์เนี่ยน้อมไปในนิพพานอย่างเดียวพระโลกุตระธรรมนี้มีพระคุณเป็นอเนกอ น, นันต์เหลือพ้นที่จะนับประมาณชีวะโลโกโอฝูงสัตว์โลกแต่บรรดาที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดในภพน้อยภพใหญ่สเสวยทุกขเวทนาด้วยชราและพยาทีติดตามรักตึงตึงตรา บีธายายีมรณะตัดขาดชีวิตินทร์สีให้ขาดเปรียบประดุดนายเพชฌฆาตอันฟาดฟันบันด้วยดาบอันคมกล้าแสนยากแสนลำบากตายจากที่นี้ไปบังเกิดที่นั้นตายจากที่นั้นไปบังเกิดที่โน้นตายจากที่โน้นมาบังเกิดที่นี้มีแต่ความทุกข์เป็นเบื้องหน้าจะนี้ไปให้พ้นจากชาติชาราพยาธิและมรณะนั้นหนีไปไม่พ้นเลยเสวยทุกข์ไม่สิ้นไม่สุดไม่หยุดไม่ยัง้ง เป็นทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่ยังไม่ได้ตรัสรูพรรรรรสร้พระนบโลกุตระธรรม9ก้าประการถ้าตรัสรู้พระนบโลกุตระธรรมสำเร็จมรรคผลหยุดหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้แล้วก็จะสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นชาราแลพยาธิแลมรณะจะหนีพ้นรับคลองตาแห่งพญามัจจุราชพญามัจจุราชเที่ยวหาไม่เห็นติดตามไปไม่ทัน จะได้เสวยสุขอันเที่ยงแท้เป็นเอกันตะบรมสุขไม่ได้เจือด้วยทุกอันใดอันหนึ่งเลยเพราะเหตุที่ตรัสรู้พระนบโลกุตระธรรมเก้าประการอันนี้ก็เป็นถ้อยคําที่ท่านพาลนานึกถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมนี่มีพระคุณมากขนาดนั้นท่านละลิกนึกถึงคุณพระธรรมเหล่านั้นด้วยความเคารพถึงถ้าปริยัติธรรมนั้นก็มีคุณมากผลที่จะนับประมาณเหมือนกันเพราะเหตุว่า พระปริยัติธรรมนั้นสําแดงทางแห่งสวรรค์แลทางแห่งนิพพานปริยัติเนี่ยแสดงทางแห่งสวรรค์คืออะไรม้างใช่ไหมศรัทธาศีลเป็นต้นนี้ก็คือทางแห่งสวรรค์สมถาวิปัสสนาเป็นต้นก็คือทางแห่งนินพพานพระโยคาวาจรเจ้าทั้งหลายผู้เหนื่อยหนายจากสังสารวัฏจะปฏิบัติให้สําเร็จมรรคผลแลนิพพานก็ได้อาศัยพระปริยัติธรรมเป็นผู้แนะผู้นําเป็นผู้ชี้แจงถ้าไม่มีพระปริยัติธรรมแล้ว ทางมรรคทางผลทางนิพพานก็จะรับจะลี้มันยิ่งกับเมืองเลี้ว่ะเมืองลี้เป็นยังไงมันรับมันไปหา ไ, ไปยากหรือเปล่านั่นแหละเขว่ามันจะไปยากว่างั้นจะหามีใครสำแดงชี้แจงไหมนะถ้าไม่มีพระปริยัติธรรมแล้วยาว่าแต่ทางนิพพานเลยแต่เพียงทางสวรรค์ก็จะรกชัดจะหาผู้มีตัดผู้สำแดง จะหามีผู้รู้หนทางแห่งสวรรค์ไหมสัตว์ทั้งปวงนี้ได้อาศัยได้พระปริยัติธรรมชักนำให้เห็นผิดแลเห็นชอบทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิใช่ไหมรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้โทษและมิใช่โทษแลคุณและประโยชน์บุญบาปได้ปฏิบัติตามพระปริยัติธรรมก็จะหนีพ้นจากอบายบายหน้าเข้าหาหนทางสวรรค์ได้ อันคุณพระประิยะติธรรมนี้สุดที่จะพรานานโมข้าพเจ้าขอถวายอภิวาทวรรณนาการแด่พระสธรรมอันประเสริฐอันประกอบด้วยพระคุณานุภาพลำเลิศเปรียบประดุดแสงแก้วขจัดเสียได้ซึ่งขายแลแ ล, แล้วคือกิเลสมันเหมือนกับแล้วแล้วก็คือพวกบ่วงดักนกดักเนื้อ น, นั่นแหละมีอวิชาเป็นอาทินั้นด้วยเสียงกล้าวแห่งฆ้าพระพุทธเจ้าณกาลบัตนี ทำทั้งหมดก็คือถ้อยคำที่พราลนาคุณของพระธรรมว่าท่านนั้นมองคุณพระธรรมมองพระพุทธศาสนาออกอย่างลึกซึ้งมากน้มัสการพระสัทธธรรมแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอถวายน้มัสการพระอริยสงฆ์แปดจำพวกตลอดมาตราบเท่าถึงสมมุติสงเสรละสมาที่ปัญญาวิมุตติญาณนะสัมปพุทธีหิยุโตว่า้นพระอริยสงฆ์นี้เป็นสาวกแห่งสมเด็จพระสันเพชร พ, พุทธเจ้าองค์นั้นเนี่ย ประกอบด้วยพระคุณอันประเสริฐเป็นต้นว่าคุณของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าคือหนึ่งศีลคุณสมาธิคุณอรหัตผลลคุณและปัจจเวคณะญาณคุณอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ในขันธสันดานของท่านขันธสันดานของพระสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยประกอบด้วยคุณ น, นะนะเรียกว่าหาข้อตำหนิไม่ได้เลยในส่วนใจของท่าน เขตต่างพระอริยสงฆ์นี้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้บังเกิดพลาฟนิสง์จะนับจะประมาณบ่มีได้แก่เทวดาและมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งปวงแต่บรรดาที่ปรารถนากองกุศลนั้นถ้าหากว่าผู้ที่มีคุณธรรมแบบนั้นไปนเราโปรโยทานลงไปในท่านก็นับว่าเป็นทานที่มีผลมากบุคคลผู้ถวายทานแก่พระอริยสงฆ์กระทำสการะบูชาแก่พระอริยสงฆ์นั้น เปรียบประดุจหวานพืชข้าวกล้าลงในเนื้อนาที่ดีอาจให้สำเร็จผลดังใจนึกดังใจหมายอาจจะยกตนให้ขึ้นพ้นจากจตุระบายบายหน้าสู่สวรรค์เสวยที่ผสมบัติอันเป็นอนันต์อเนกแล้วจะได้พระนิพพานอันเป็นเอกันตะบรมสุขสิ้นสังสารทุกข์ทั้งปวงเพราะผลที่ตนได้บำเพ็ญทานวานพืชลงในเนื้อนาอันดี วันได้ได้ทำบุญกันเนื้อนาะอันดีแล้วตั้งเป้าหมายเพื่อดับกิเลสก็สําเร็จกล่าวถึงพระอริยสงฆ์นํามามิข้าพเจ้าขอถวายนามสการบัดนี้ซึ่งพระอริยสงฆ์นั้นด้วยอุตมังคะเสียงกล้านะด้วยหัวอันสูงสุดเนี่ยขอยกถวายแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์แด่พระรัตนตรยัยอาการที่ข้าพระพุทธเจ้าประนบน้อมนามสการพระรัตนตรัยในการบัดนี้ พร้อมทั้งกายวาจีจิตขันยกเอาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเนี่ยขอเพื่อบูชาพระธัตนตรหมดเลยข้าพระองค์ขออุทิศกายประนามนอบน้อมทางกายก็คือการกราบการไหว้วาจีประนามได้แก่การกล่าวสารเสรญยกย่องพระธนัตรตรณโมประนามก็คือการนอบน้อมด้วยใจนี้บูชาพระรัตไตรว่า้นขอเอากายวาจาใจบูชาพระธัตไตรแทนอันต่างโดย